พวกเราทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นเรื่องเต็มไปด้วยทุกข์ที่แฝงกันไปกับพบชาตินั่นๆมาเป็นเวลานานไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ก, กันเป็นแต่เพียงว่าความจดจำแห่งความเป็นมาของตนในอดีตนั้น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 แล้วได้เปรียบมนุษย์ที่ไม่เคยสนใจใยดีในหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องมืออันเยี่ยมในทางป่ายเหตุแก้กิเลสปัญหาอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นั้นมีเรียกว่าเรามีวาสนาสำหรับผู้ได้ศึกษาอบรมผู้ไม่สนใจในธรรมเหล่านี้แล้วเรียกว่าเราได้เปรียบเขาอยู่มาก แม้เราจะตำหนิเราว่าเป็นผู้ด้อยวาสนาก็ด้อยเพื่อจะส่งเสริมวาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นมีท่านเรียกความจริงความจริงนี้ไม่มีใครที่จะสามารถรื้อฟื้นขึ้นมาประกาศให้โลกได้เห็นได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นซึ่งเป็นต้นตระกูลแห่งความรู้แจ้งแทงตลอด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 ตลอดถวดถึงไม่มีที่ปิดบังลี้ลับพระปัญญาญาณของพระองค์ไปได้เลยเมื่อทรงทำการขุดค้นจนพบความจริงขึ้นมาเจึงได้นำความจริงนี้ออกสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อจะทราบเรื่องความเป็นมาของสิ่งลึกลับที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เกิดจะเจ็บตาย มาโดยลาดัน บ, บนี้คือเชื้ออันสาคัญได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งฝังอยู่ภายในจิตไม่มีใครสามารถจะลบล้างออกไปได้เลยหรือชำระล้างได้ด้วยวิธีการใดๆ น, น, นอกจากหลักวิชาธรรมะเท่านั้นหลักวิชาธรรมะถ้าเพียงเรียน <c oughs> จำได้เฉย ก็ไม่สามารถที่จะลบล้างหรือชะล้างกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหรือฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้นอกจากจะมีภาคปฏิบัติเข้าไปด้วยจึงจะเป็นไปได้เพราะภาคปฏิบัตินั้นเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้วเริ่มปฏิบัติก็คือเริ่มทําความจริงก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเรื่องราวของตนเองขึ้นมาไเรื่อย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลึกล้ำมากสําหรับสามัญชนเราแต่เป็นสิ่งที่เปิดเผยสําหรับท่านผู้รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นกิเลสตัวใดก็ตามจึงไม่สามารถจะแสดงกลมมายาต่อท่านผู้ที่ิฏฐาปรามกิเลสให้รากภาบไปแล้วภ า, ายในจิตใจได้เลยดังพระพุทธเจ้าและพระหันท่าน พระพุทธเจ้าก็ดีพระหันท่านก็ดีเป็นผู้ทิ่รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดบรรดากิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภาย จ, จิตใจได้ขับไล่ออกด้วยพระปรีชาสามารถของท่านมันไม่มีเหลือแม้ชิ้นเดียว เพราะฉะนั้นคนมายาของกิเลสทุกประเภทจึงไม่สามารถที่จะหลอกลวงท่านได้ตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้ขึ้นซาบไปจากพระไทยและจิตใจของพระสาวกการรื้อถอนการขุดคน้นหาต้นตออันลึกลับสลับซับซ้อนซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนี้นั้น เป็นสิ่งที่ทาได้ยากอุบายวิธีการที่จะนำมาปฏิบัติต่อสิ่งนี้ก็ยากที่จะมีผู้รู้ผู้เห็นได้นี่เราได้เกิดในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพระวอาจหรือเป็นาศาสนาธร ร, รมอันสำคัญมากในบรรดาธรรมที่เป็นเครื่องมือ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 พระสาวกอรหันแต่ละพระองค์พระแต่ละองค์องค์ก็เหมือนกันเช่นนั้นเป็นผู้รื้อป่าช้าออกจากจิตใจได้โดยสิน้นเชิงนั่นแหละปราช้าอันแท้ จ, จริงก็ก็คือกิเลสกับกจิตที่ฝังจมอยู่ด้วยกันนั่นแลเป็นที่เพาะเชื่อทั้งหลายหรือเป็นที่เพาะพวกพ่ อ, พ อ, พอชาติทั้งหลายเพราะที่ตรงนั้นแต่เราทั้งหลายไม่รู้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านกับพวกเราจึงต่างกันอยู่มากทาั้งๆที่ผ่านมาด้วยกันเรื่องก็เหมือนกันแต่เราไม่รู้เราจำไม่ได้และไม่รู้วิธีถอดถอนไม่รู้วิธีแก้ไขสำหรับท่านรู้วิธีถอดถอนรู้วิธีแก้ไขจนกระทั่งถอดถอนออกได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือ ท่านจริงกลายเป็นคนพิเศษเลิศโลกยิ่งกว่าพวกเราทั้งหลายเป็นไหนๆเราจะเนกรกล่าวอ้างท่านว่าเป็นเสนะคือพุทธทางธรรมังสังขังสนงันนักฉามแล้ว ก, การถอดถอนกิเลสทุกประเภทให้พึงทราบเรื่องของกิเลสด้วยดีหาเป็นหน้าปฏิบัติธรรมะเพื่อจะยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้น แก่ตนจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทภิกษูรอุบาสกอุบาสิกาเราควรจะรู้เรื่องของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยเป็นข่าศึกต่อหัวใจเรามาเป็นเวลานานเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่นายโตที่สุดอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกก็คือกิเลสไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถปราบปรามมันลงจากหัวใจ ของสัตว์โลกได้เลยมันจึงพยองพองตนกลอมสัตว์โลกไม่ให้รู้เรื่องของมันว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกเลยไม่มีอันใดกลืนกิเลสไปได้นี่เรียกว่าความแหลมคมไม่มีอะไรจะเหนือกิเลสนอกจากธรรมเท่านั้นเหนือกิเลส เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ศึกษาอบรมธรรมเพื่อจะนำมาวิจัยกันนำมาต่อสู้กันนำมาแยกแยะ ก, กันให้เห็นดีเห็งชั่วเห็นของปลอมของจริงซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวหรืออยู่ในร่างกายและจิตใจของเราคนคนเดียวนี้ให้แจ้งชัดไปโดยลำดับคำว่ากิเลส คือสิ่งที่ทําความเศร้าหมองมืดดําหรือมืดตื้อต่อจิตใจของสัตว์นั่นท่านเรียกกิเลสเมื่อวันได้เข้าสิงอยู่ภายในจิตใจของใครมากน้อยจะทําให้คนนั้นโง่หลงงมงายเซอเซสะสะไปหมดแต่ตัวกิเลสจะไม่โง่จะไม่เซ่อเซ่อสะสะจะเป็นตัวฉลาดแหลมคมมากทีเดียวไม่มีอะไรเกินกิเลสการ ปราปรามกิเลสจึงต้องได้ใช้ความพยายามให้หนักแน่นมั่นคงต่อการกระทําและวิธีการของตนที่นํามาใช้แต่และอย่างไม่ได้ทําลเลอ ะ, ะ, ะเละไม่ไทําแบบเล่นๆแบบรุ่มรุมดอนดเพราะกิเลสแต่ละประเภทไม่มีกิเลสตัวไหนเ ล, ลอะหละไม่มีกิเลสตัวไหนรุ่มรุ่มดอนดไม่มีกิเลสตัวไหนเป็นชุบหาบอ่อนโยน ต่อจิตใจมนุษย์และสัตว์พอที่จะมาชำระแก้ไขกันด้วยความหลาะแหละความอ่อนแอทอดทอดทอดแ ท, ท, ท้ความสุภาพอ่อนโยนการแก้จิเลศแก้ด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนกิริยาท่าทางเราอันเป็นไปด้วยธรรมนี้นั้นแก้ไม่ได้ต้องแก้ด้วย ควาถ้าพูดให้เต็มภาษาธรรมะเต็มให้เต็มความจริงก็คือว่าต้องฮึดสู้เสมอให้สมกับว่ากิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดไม่ว่าลูกเต้าหลานเหลียญปู่ย่าตายายของกเิเลสจะมีความชุภาพอ่อนโยนต่อสัตว์โลกจ ะ, ห ล, ะหล่อแหละเล้วไหลเชื่อ ซ, อ ซ, อซาซาต่อจับโลกไม่มี มีแต่ตัวแหลมคมมีแต่ตัวโหดร้ายถารมีแต่ตัวจริงจังในทางที่จะทําความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกทั้งนั้นด้วยเหตุนี้การแก้ไขปราบปรามพิเดตเราจึงจะนำเอ า, เอานําความสุภาพเรียบร้อยความอ่อนโยนความอ่อนแอความเอาตามยถากรรม ทำเป็นผู้วาดมีวาสนาน้อยถอยกำลังไปสู้กับกิเลสไม่ได้นอกจากจะเป็นเครื่องสังเวยกิเลสเป็นเครื่องเส้นสวงกิเลสให้เดียวหัวเราะฮาฮ า, าอยู่บนหัวใจของเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเราให้ย้อนหลังไปถึงพระพุทธเจ้าผู้ปราบกับกิเลสเรียกว่าพระองค์เป็นพระองค์แรกที่เข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับพระองค์ ต่อสู้กันมีความลำบากความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรในระหว่างที่กำลังเข้าสู่สงครามหรือขึ้นบนเวทีต่อกรกับพิเรนั้นเราจะทราบได้ชัดถึงเรื่องความหนักเบาระหว่างทมกับกิเรตต่อสู้กันพระพุทธเจ้าของเรา ต้องสลบถึงสามหนฟังหนคนเราไม่ถึงขั้นสลบคือไม่ทุกถึงขั้นสลบจะสะลบไปได้อย่างไรต้องทุกถึงขั้นนั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าเลยจากขั้นนั้นก็ตาย น, นี่คือวิธีการนี่คือการต่อสู้ความลําบากลําบนต่อในการต่อสู้กับกิเลสบนเวทีคือหัวใจเราหนักขนาดนั้น บรรดาพระสาวกก็เช่นเดียวกันมีความลำบากลำบนในการประพฤติปฏิบัติเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระโอวาทของพระพุทธเจา้าหลังจากถอดรับฟังให้ถึงใจแล้วขณะตนออกบวชจากสกุลต่างๆมีสกุลพระชามหากริย์เศรษฐีกุลุรุภีพ่อค้า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 กอนเริ่มต้นตั้งแต่เจสาโลมานาขาทันตาตะจูเป็นต้นไปถึงอาการสามยี่สองภายในร่างกายนี้ยังแยกแยะไปโดยลาดับแต่เบื้องต้นให้งานเท่านั้นเสียก่อนแล้วก็บอกสถานที่ที่จะเป็นที่เหมาะสมในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงและเฉลเียวฉลาดแหลมคมมากต้องเลือกใช้สมองคคุมอย่างเต็มที่ ให้เหมาะสมสำหรับนักบวชเจงจงแสดงสถานที่ว่าลุกขมลรเซนาสนลังนิซ า, าปรปบประชาตัทธโวยาวยาวชีวังอุตซาโฮกรันอยู่ันทั้งหลายบรรประชาบรสมบทให้เราพุทธศาสตรสนาแล้วไปเสาะแสวงหาอยู่ตามลุกขมูลล่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ามเมิอผาเพื่อเป็นความสะดวกแต่การต่อสู้กับกิเลส เอาให้ได้ชัยชนะยกตนให้หลุดพ้นจากผูกเหยียบย่ำทำลายกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปจากจิตใจจะไม่มีสิงใดกดขีบ่บังคับเป็นเจ้านายเหนือหัวอีกต่อไปจะกลายเป็นจิตใจจะกลายเป็นอิสระอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปจีดขวางได้เลยตั้งแต่ขณะนั้น คือขณะที่ชนะกิเลสแล้วนั่นเพราะฉะนั้นการปราบปรามกิเลสทุกประเภทจึงต้องทำด้วยความจริงจัจเพราะกิเลสจริงต่อเราทุกอย่างความโลภเกิดขึ้นก็จริงต่อเราสามารถนำความทุกข์มาให้มากน้อยตามกำลังของกิเลสประเภท น, น, นั้นเกิดขึ้น ความโกรธความหลงราคะตัณหาไม่ว่าประเภทใดขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีประเภทใดได้ด้อยพอที่จะนอนอยู่สบายให้มันขับลำทำเกรงให้เราฟังนอกจากเสียงร้องห่มร้องไห้ภายในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสเหยียบย่ำทําลายเรียกร้องหาความช่วยเหลือเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่หละกิเลส ทำลายคนทำลายอย่างนี้นผู้ไม่ได้ปฏิบัติต่อกิเลสผู้ไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสไม่ได้รบกับกิเลสไม่มีทางทราบได้ว่ากิเลสมีความโหดร้ายทารุนต่อจิตใจของสัตว์โลกและตัวเองามากน้อยเพียงไรต้องเป็นผู้ก็ได้เคยต่อสู้กับกิเลสถึงจะทราบประเภทของกิเลสแต่และประเภทว่ามีความเหนียวแน่นมั่นคงโหดร้ายธารุนเพียงไร ต่อจิตใจของเรานี่หลักสําคัญพระพุทธเจ้าท่านทรงบําเพ็ญหรือท่านทรงต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทมาแล้วอย่างโชคโชนถึงกับขั้นสลบสลายผลสุดท้ายกิเลสตายพระองค์เพียงสลบเท่านั้นเมื่อกิเลสตายกันแล้วพระองค์ก็ได้นําวิธีการปราบคลามกิเลสมาสอนโลกดัง ตามวิธีที่พระองค์ทรงได้ดำเนินมาอย่างไรได้ผลอย่างไรเพราะฉะนั้นพระโอาวาททุกบททุกบาทของพระพุทธเจ้าจึงไม่เคยส่งเสริมให้พุทธบริษัทหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีความทอแท้อ่อนแอให้มีแต่ความขยันหมั่นเพียรความอดความทนความใช้สติ ป, ปัญญาให้มีความเฉียดฉลาดแหลมคมเพื่อทันกับกลมายาของกิเลสแต่และประเภท มีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนไม่เคยบอกว่าความเกียดคร้านเป็นของดีกิเลสกลัวนะักไม่เคยบอกเลยกิเลสกลัวแต่ความภาคเพียรชิงใดกิเลสกลัวพระองค์จะนำสิ่งนั้นมาสิ่งใดกิเลสทำแง่ใดข้หนหงใดที่กิเลสจะพัทงทลายลงไปพระพุทธเจ้าทรงนำนั่นมาสั่งสอนสามโลกเพราะพระองค์ทรงทำมาแล้วได้ผลมาแล้วเป็นที่พอพระทยัย ทำรรจึงจัดว่าเป็นสวดขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างจะไม่ชอบอย่างไรเล่าพระพุทธเจ้าทรงชำนี้ชํานาญมาแล้วในการในสงครามระหว่างกิเลสกับพระองค์ที่ต่อสู้กันด้วยธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงทรงแสดงให้เป็นสวดขาตธรรมชอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลตั้งแต่ต้น ถึงปลายไม่มีที่ตำหนิติเกียนดังที่เราได้กลายกล่าชมเชยพระองค์ว่าอาธิกนิยานางมัชเชกนิยานางปริโยสานกนิยากนญยานางภายละเพราะ พ, พิงทั้งเบือเบ้องต้นเบื้องธ่ามกลางและสุดท้ายปลายแดนคือมีแต่ความถูกต้องแน่นยำเหมาะสมทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่ทรงสัง่งสอนไว้เพื่อปราบตามที่เรศทั้งหลายภายในหัวใจของต่นี่ เราเป็นนักปฏิบัติต้องคำนึงถึงาศาสดาผู้เป็นสารณะเสมอการปฏิบัติต่อกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติยากทีเดียวลำบากกาลำบากต่อสู้กับปันใดก็ตามไม่เหมือนต่อสู้กับกิเลสกิเลสดิเเ้เหนียวแน่นมั่นคงเพราะเคยเป็นจอมกษัตริย์บนหัวใจของขัดเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจเรามานาน นี่จะสลัดปัดมันลงจากแท่นบันลังคือหัวใจเหล่านั้นจะลงได้ง่ายง่ายเมื่อไหรต้องต่อสู้กันอย่างเต็มเหนียวบางครั้งต้องสนัชีวิตเลือดเนื้อเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ในชายชนะขอให้รู้แจ้งแทงทะลุปราการขิเดียดให้ราบจากหัวใจลงไปกองอยู่กับสมมุติทั้งหลายเหลือแต่ลิมุตร่นล้วนอันเป็นความเมยสุดเต็มหัวใจ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 ผู้ได้เคยเข้าสางครามระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละเป็นผู้ที่จะสามารถชี้แจงถึงอุบายคนมายาของกิเลสได้อย่างชัดเจนและเป็นผู้จะสามารถชี้แจงแสดงถึงเรื่องอุบายของสติปัญญาตับทาความเพียรที่ปราบปรามกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือได้อย่างชัดเจน<ๆ>เช่นเดียวกันผลก็คือสามารถแสดงถึงเรื่องมรรคเรื่องผล ตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นจุดท้ายได้แก่วิมุตตุพ้นไปได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจไม่สะทกสะทานเพราะได้ปรากฏกับตนผู้ได้เข้าสู่สงครามแล้วทั้งทางเหตุและทางผลใครจะเกินผู้ที่ได้เข้าสงครามมาแล้วผู้ที่เคยต่อสู้กับกิเลสมาแล้วไม่มีนี่เราก็กําลังเข้าสู่สงครามในตอนนี้ สงครามระหว่างกิเลสกับเราเอาให้ถึงการความเพียนเท่านั้นเป็นเครื่องฆ่ากิเลสเป็นเครื่องสนับสนุนในการฆ่ากิเลสสติปัญญาเป็นสําคัญมาก น, นี่คือเครื่องมืออันทันสมัยไม่ว่ากิเลสประเภทใดสติปัญญาประเภทนั้นๆจะสามารถปราบปรามกิเลสประเภทนั้นๆั้นไปได้เดิมดั่งจนกระทั่งถึงกเิเลสที่ละเอียดสุดแหลมคมที่สุด ด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมหรืออันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสนั้นจนสามารถ ท, ำทํำปราบกิเลสให้พังทลายลงไปจากใจได้ไม่เหนือสติปัญญาไปได้สรุปความลงแล้วกิเลสไม่เคยกลัวอะไรนอกจากกลัวธรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมให้แก่สารโลกเพื่อเป็นเครื่องมือปราบปรามกิเลส เครื่องสนับสนุนที่จะให้เป็นไปไม่ลถย่อนหรือไม่อ่อนกําลังก็คือความภาคเพียรความอดความทนทนไปเถิดทนในสิ่งที่ดีทนต่อสิ่งไม่ดีเราเคยทนมาแล้วเราเคยทุกมาแล้วเช่นเดียวกันบางทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องทนทุกทรมารกก์กมันเราก็เคยทนมาแล้วนี่คือความทนเพื่อผลเพื่อประโยชน์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 ทุกเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ทุกเพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเดไม่เคยได้ยินว่าจิตนี่ทุกเพราะธทความพระพุทธเจ้าหรือทุกเพราะพระพระธรรมไม่มีมีแต่ทุกเพราะกิเลส <c oughs> ทุกมากทุกน้อยทุกขนาดไหนทุกจนกระทั่งถึงไม่มีสติกลายเป็นบ้าไปเลยก็เพราะอํานาจของกิเลสเท่านั้นนี่เรื่องความทุกเพราะ อ, อนาจของกิเลส จ, จิตจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของหากว่า จิตนี้แสดงตัวออกมาเป็นภาษาวาจาคำพูดเหมือนเหล่านี้แล้วอยู่ที่ไหนจะได้ยินแต่จิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราะถูกกิเลสเหยียบย่าทำลายอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีว่างเลยในโลกนี้เสียงจะกระเทือนโลกกระพาไปหมดและโลกนี้เป็นที่น่าอยู่ที่ไหนเมื่ อ, อมองเห็นกันหรือไม่มองเห็นก็ได้ยินแต่เสียงเรียกร้องยุ่งไปหมดเพื่อความทุกข์ความทรมานของใจที่เรียกร้อง ความสนใจจากเจของให้ช่วยเหลือนสัตว์ก็เต็มที่ของสัตว์อืสัตว์ก็เต็มตัวในเรื่องกองทุกข์มนุษย์ก็เต็มตัวในเรื่องความทุกข์ไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่งคนฉลาดอันเป็นนิสัยของสามัญชนเราแล้ ว, ลวจะต้องถูกเกลี้ยกล่อมย่ทำทําลายให้จิตใจได้รับความทุกข์ความทรมานถึงกับจะถึงกับเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแลือกทุกทัท่วดินแดนเช่นเดียวกันหมด เราอยากเข้าใจว่าที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายพบนั้นพบนี้จะสบายพบไหนจะสบายให้คำหนึ่งย้อนเข้ามาสู่จิตซึ่งเป็นตัวสำคัญที่จะเข้าไปสู่พบนั้นพบนี้เข้าไปแบบความทุกข์ความลาบากในพบนั้นพบนี้นี่เป็นสาคัญยิ่งกว่าอื่นจึงควรจะสนใจในนี้ให้ถูกขับจุดที่จิตใจของเราเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราด้วยการแก้กิเลสปัญหาสวะ โดยวิธีทําคุณงามความดีายเป็นของไม่ตายแต่ได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดมาตั้งแต่กลับไหนกันใดจนกระทั่งปัณณีเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเหมือนกันแต่ก็ยอมรับทุกมาตลอดถึงจะไม่พินาศคิดหายสลายตัวไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายที่ถูกทําลายแต่ก็ได้รับความทุกข์ความลาบากตลอดมาใจจริงเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมาก ไม่ถูกทำลายให้คิดหายวายปวงไปได้อย่างง่ายได้แต่ก็ทนความทุกข์ความทรมานมาในวกชาตินั้นๆเพราะอำนาจของกิเลสย่ำดีกิเลสไม่อยู่ที่ไหนเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนให้กี่ชั้นกี่ห้องก็ตามเถกิเลสจะไม่ไปอยู่แต่หัวใจของสัตว์โลกนี้อยู่ตรงไหนกิเลสอยู่ทั้งนั้นบ้านเรือนของกิเลสห้องน้าอ่าห้องสวมห้องน้าของกิเลสอยู่ที่หัวใจนี่ ที่ขับถ่ายที่บำรุงบำเลิที่ขับกล่อมที่สะดวกสบายของกิเลสอยู่ที่หัวใจของศาตร์โลกผู้ที่ทุกข์ที่สุดก็คือสาตร์โลกผู้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงควรเห็นโทษของกิเลสซึ่งอยู่บนหัวใจของเราและใจเรียกร้องหาความคุเหลือจากเราอยู่เวลานี้มีตลอดมานี้เขาจะได้เล่นความภาคเพียนเอาให้กินให้จังกิเลสทําเราทําจริงจังนักเราทํากับกิเลสทํำมาจะทำจะเหาะเหยียด มันจะเข้ากันได้เหรือต้องเอาให้จริงให้จังเป็นก็เป็นตายก็ตายเราเคยเป็นเคยตายมาไม่รู้กี่พกี่ชาติแล้วตายแบบโมคาตา์ตายแบบไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราตายในสงครามคือการต่อสู้กับกิเลสที่เป็นตายที่มีคุณค่ามากอืสุดท้ายมันก็ไม่ตายกิเลสนั่นแหละเป็นตัวจะตายเราเป็นแค่คเป็นความทุกข์ความทรมานเพราะการปราบการกิเลสด้วยความเปลี่ยนของเราเท่านั้นสุดท้ายกิเลสก็ตาย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 ความเพียรที่ต่อสู้กับกิเรนไม่ตายไปไม่มีแต่ความทุกข์ควา ม, ม า, ากเช่นฝ่าเท้าแตกเพราะการเดินจงกลมไม่หยุดไม่ถอยด้วยความภาเพียรของท่านด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความอดความทนบางองค์จะจักสูแตกเช่นอย่างพระจักสุบะพระจักรบาลเป็นต้นก็เพียงจักสูแตกเท่านั้นสุดท้ายกิเลสก็แตกจากใจเพราะจักสุภายนอกแตกกระจายกิเลสภายในใจก็แตกกระจาย ทำมาจากสุญานก็สว่างช้าขึ้นมาภายในจิตใจของท่านเสียท่านไม่เห็นตาะเราดูที่ในประวัติมีไหมพระสาวกทั้งหลายตายเพราะความเพียรพอที่จะให้เรากลัวต่อการประกอบความเพียรเพื่อแก้กที่เดชต่อสู้กับทิ่เหล็ไม่เห็นมีองค์ไหนตายพอจะเป็นแบบฉบับให้เราได้กลัวบ้างสาวกทั้งหลายเหล่านั้น ท่านเป็นมีรูปมีร่างมีธาตุมีขันเหมือนเราทําไมท่านจะไม่รับความทุกข์ความลําบากแล้วกิเลสท่านกับกิเลสเราก็เหมือนกันทําไมจะไม่ทุกข์ไม่ลําบากแล้วการต่อสู้กับกิเลสแต่ละประเภททําไมจะไม่ลําบากท่านทําไมผ่านไปได้เราก็คนคนหนึ่งเป็นลูกกิตตฐาโคตรเหมือนกันกิเลสประเภทเดียวกันมรรคปฏิปทาเครื่องมือปราบปรามกิเลสก็เป็นส่วน้าตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไู้ชอบแล้วด้วยกันมีอะไรบกพ่องเวลานี้ ยิ่งไม่ได้หลุดลอยไปแม้ตัวเดียวกับหัวใจเราเป็นเพราะเหตุอะไรมันน่าเป็นปัญหาอันหนักที่สุดที่เราจะต้องนำมาวิจารณ์ต่อตัวของเราถ้าไม่บกพร่องในเรื่องความภาคเพียนเรื่องของสติปัญญานี่เป็นจุดสาคัญบกพร่องตรงนี้สติปัญญาไม่ดีก็ไม่ทันที่เลยการที่สติปัญญาไม่ดีก็เพราะความเพียนได้ เหตุที่ความเพียรได้ก็เพราะถูกกิเลสมันลากเอาไว้ให้ขี้เกียจ น, นี่มันไม่พ้นเรื่องของกิเลสเพราะมันแหลมคมมากมันสวมรอยเราในขณะที่เราทําความเพียร น, นั่นแหละเดินจงกรมนี่เราเข้าใจว่าเราเดินจงกรมทําความเพียรเรานั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรแล้วสุดท้ายก็ให้กิเลสไปทํางานแทนเสียหมดเดินจงกรมก็มีแต่ก้าวขาเดินไปเดินไปกิด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 พิจารณาด้วยปัญญาตั้งเนื้อตั้งตัวต่อสู้จริงๆเหมือนกับนักมวยที่กําลังต่อยกันอยู่บนเวทีเขามีอาการอย่างไรนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นเราต่อยกับกิเลส ก, ก็ต้องต่อยแบบนั้นอย่าปล่อยให้กิเลสมันหามลงเเลไปโดยไม่รู้สึกตัวหามไปเฉลี่ยไหนก็นไม่รู้เอาของดีไปกินหมดแล้วยังเหลือแต่ร่างแล้วก็ย้อนกลับมายัางมาม า, มาตําหนิ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 เรื่องกิเลสลากรเอาของดีไปกินหมดอีกเหมือนกันคิดไปนูน่นนอกโลกกระทดัดมันเอาไปกินเลี้ยงกันที่ไหนก็ไม่รู้นะจนหมดหนั่งเหลือแต่ซากแล้วกลับมาหรือเหลือแต่ร่างแล้วกลับมาก็มาตําหนิอีกแหละนั่งภาวนากี่ชั่วโม ง, งก็ไม่รู้ไม่เห็นได้เรื่องได้ลาวอะไรจะได้เรื่องอะไรมันไม่ใช่เรื่องความเพียรไม่ใช่เรื่องธรรมมันเรื่องของกิเลสมาทํางานบนความเพียรของเราเอาของดีไปกินหมดต่างหาก มันจะได้อะไรฟังให้ถึงใจวิจารณาให้ถึงใจเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆริงเอาปฏิบัติไปเราจะรู้ในขณะสติปัญญายังไม่ทันกับยิเรศยิเรศต้องเอาเกลียบเราเสมอได้เกลียบเสมอไปแต่ก็ไม่พ้นความขลิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ไม่ถอยไปได้เช่นเดียวกับเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงทุกวันรักษาความปลอดภัยให้มันตลอดแล้วเด็กค่อยเดิญเติบโตขึ้นมาเจริญจากกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ย จิตใจก็เบื้องต้นก็ร่มลุกคู่ขลังได้รับการอบรมศึกษาบำรุงจากเจ้าของจากสติจากปัญญาจากศรัทธาความเพียรอยู่โดยสม่อเสมอไม่ลดละท้อถอยจิตก็จะมีความสงบร่มเย็นสติก็เริ่มมีขึ้นมาปัญญาก็มีความแพลวข่าวสามารถที่จะทราบเหตุทาบผลต้นตายดีชั่วระหว่างกิเลสกับจิตเข้ามาเกี่ยวข้องพวกพันกันอย่างไรบ้างได้โดยลาดับลำดับ เมื่อสติปัญญาทันกิเลสตกเทศใดแล้วก็สังหารกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสเป็นถึงขั้นละเอียดปัญญาก็ชนาดแหลมคมตามกันทันไปหมดทันไปหมดผลสุดท้ายกิเลส จ, จะละเอียดขนาดไหนทนสติปัญญาอันเป็นอาวุธทันสมัยนี้ไม่ได้เลยสุดท้ายก็แหลกแตกกระจายไปจากใจไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์พุโทโธอันเลิศโลก ดู่ภายในจิตใจนี่แหละคืออิสระเสรีไม่มีขอบเขตอิสระเสรีตลอดอนันตกาลนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้อย่างแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเขาว่าผลสุดท้ายก็ไม่ตายเป็นกิเลสตายต่างหาเราไม่ได้ตายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่แหละแบบธรรมัตที่ท่านสอนมาตำหนักตำนาท่านสอนมาก็ เ, าเป็นอย่างนั้นยิงไม่ควรที่จะ ท้อถอยอ่อนแอกลัวล้มกลัวตายในการประกอบความภาพเพียรที่จะแก้กิเลสฆ่ากิเลสกิเลสพาให้เกิดให้ตายมาผิดพบกี่ชาติทําไมไม่เห็นกลัวเวลาจะประกอบความภาพเพียรหรือต่อสู้กับกิเลสทำไมจะกลัวตั้งแต่ตายกลัวเท่าไรก็ยิ่งจะได้แต่ตายเพราะเป็รืองของกิเลสอันเรื่องความตัวนั้นแ่ะมันไม่ใช่เรื่องอะไรมันเรื่องกิเลสนี่กิเลสแทกทําแทรกอย่างนี้ปฏิบัติกันบ่ายเราจะทราบ เรื่องกลมายาของกิเลสแหลมคมขนาดไหนจะทราบด้วยสติปัญญาของเราออกเมื่อทราบได้อย่างชัดเจนแล้วกิเลสก็ไม่มีกลมายาใดจะมาสู้กับสติปัญญาของเราได้เราพูดได้เต็มปากท้าทายกิเลสได้เต็มหัวใจไม่มีกิเลส ต, ตัวใดจะมาอาจเชื่อมได้หมดปัญหาหาความสุขหาที่ไหนนี่หละคือความสุขอยู่จุดนี้บรมสุขก็อยู่ที่จุดนี้ อีกเป็นความถูกคามสะดวกสบายในพบน้อยพบใหญ่ที่เราไปก็เป็นอยู่ในการทำนะกจิตใจในการบำเพ็ญคุณคุณงามความดีเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจทั้งเราให้ในไปในภพชาตินั้นๆแต่สุดท้ายก็เป็นบรมสุขด้วยการปราบกิเลสให้ราบจากหัวใจไม่มีเหลือเลยนั่นแหละเป็นบรมสุขไม่ถามทิงเรื่องเป็นเรื่องตายตายเมื่อไหร่ตายที่ไหน ตายแล้วจะไปเกิดไหนพบใดชาติใดไม่ถามไม่ยุ่งอิ่มพอตัวแล้วนิพพานที่เคยอยากมาอย่างเต็มหัวใจก็ไม่อยากอยากอะไรก็อิ่มแล้วนะเหมือนอย่างเรารับทานอาหารเราหิวข้าวเราหิวอาหารเรารับทานเมื่อรับทานเต็มที่แล้วอิ่มพอกับความต้องการของท่านแล้วจะไปหิวอะไรอีกอยากนิพพานก็ คืออยากสิ่งกิเลสเมื่อสิ้นแล้วจะไปหาประอยากหาอะไรอีกความอยากคือเรื่องของกิเลสความอยากคือเรื่องความหิวโหยเป็นสิ่งที่กวนใจเสมอแม้ไม่ใช่เรื่องของกิเลสความอยากปัญญาภานไม่ใช่เรื่องของกิเลสแต่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับความลําบากเหมือนกันเป็นความหิวโหยเป็นความกระทบกระเทือนต่อใจความอิ่มพอความพอตัวนั่นแหละเป็นความไม่กระเพื่อมเป็นความปกติโดยหลักธรรมชาติ เียกว่าประมังสุขขังอยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนเข้ามาในจุดนี้อยู่แล้วทำไมจึงไม่มองดูหัวใจตัวเองมองดูถึงนเป็นมีอะไรอยู่ในนั้นหน้าที่การงานอะไรก็ไม่มีมีแต่งานฆ่ากิเลสอย่างเดียวทำไมกิเลสไม่ตายแม่ตัวเดียวมิหนาซ้ายังจะพอ่อคูณกิเลสให้เต็มทางในหัวใจขึ้นอีกมันสมแลเหลือกับนักบวช นักปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสแล้วบวชมาเพื่อสั่งสมธรรมเพื่อสาะแสวงหาธรรมไม่ได้มาเสาะแสวงหากิเลส ท, ทําไมกิเลสจึงเกิดขึ้นเต็มหัวใจนั่นแหละคือการเสาะแสวงหาด้วยหลักธรรมชาติด้วยความโง่เขลาบุญญาของตัวเองกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเลยด้วยถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรทั้งเรามีความเหนียวแน่นมั่นคงแล้วกิเลสตัวไหนมันจะเหนียวแน่นยิ่งกว่าธรรมเหล่านี้ล่ะมันก็ต้องหมดต้องสิ้นไป มีเอาให้จริงให้จังเราเป็นนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแอรเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นเรื่องของที่จะลากคอเราลงไปตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่ในป่กค้าอันโลกวัฏจักรไม่มีทิ้งสุดลงได้เลยเราไม่กลัวเหรือทั้งแต่จะตายในชาตินี้เรายังกลัวอยู่แล้วไม่อยากตายเพราะอะไรไม่อยากตายเหมือนจะสิ้นจะสุดไป ห, หมด อะไรจะสิ้นสุดมันเคยเกิดเคยตายมากี่พกี่ชาติแล้วมันไม่เห็นสิ้นสุดมันยังมาเกิดได้หเห็นประจักษ์อยู่ตัวของเรานี่นั่นมันสิ้นมันสูญได้ยังไงแล้วมันตายไปอีกแล้วมันก็จะสูญได้ยังไงเมื่อเชื้อที่พาไม่ให้สูญมีน่ะพาให้มีพกมีชาติหนึ่งมีเพราะเชื้อนั้นดับเชื้อมันลงไปแล้วเหลือแต่ความเมื่อยสุดความเมื่อยสุดนั้นสูญได้ยังไงถ้าสูญจะเอาอะไรมาบริสุทธิ์นัตั้งด้วย ถ้ามันจริงมันจะให้ถึงเหตุถึงผลหลักธรรมกุยเจ้าไม่ใช่ตุกตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะมาหลอกลวงโลกเอาให้ถึงของจริงปฏิบัติจริงก็ต้องรู้จริงเห็นจริงรู้ที่หัวใจนี่แหละทำจะมีอยู่ทั่วไปในโลกก็ตามแต่เมื่อไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องสัมผัสทำแล้วทำก็เหมือนไม่มีเช่นเดียวกับรูปกับเสียงเป็นต้นมีอยู่ในโลกถ้ามันมีตามีหูเป็นเครื่องรับฟังเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์แล้วรูปดือ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 ถึงขั้นละเอียดผ่านกล่าวไว้แล้วว่าสมนานันจะดัสนังเอตมังขารมุตตังการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดท่นานว่าเห็นสมณะหมายถึงที่ไหนเราต้องน้อมเข้ามาสอนตัวเราสิสมณะได้ก็กความสงบ ก, การเห็นสมณะก็หมายถึงใจเราเห็นความสงบของใจเรานั่นเองทัตติปัญญาของเราเห็นความสงบของเรา ความสงบเย็นใจของเราสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาสมณะที่สองได้แก่สักกีทาคาสมณะที่สามได้แก่พระอนาขาสมณะที่สี่ได้แก่พระรหัตบุคคลนะ่อยู่ที่ไหนสมณะทั้งสี่นี้ถ้ามาอยู่ในบุคคลถ้ามาอยู่ในผู้ปฏิบัติจะอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่การเห็นสมณะถ้าไม่เห็นที่ใจไม่มีที่เห็นไม่ไม่มีที่รู้ รู้ที่ใจเข้าใจเป็นตัวฟุ้งซ่านใจเป็นตัวมัวหมองใจเป็นตัวมืดตือ้อด้วยอํานาจของกิเลสใจจึงควรไ ด, ได้รับการซักฟอกด้วยสติปัญญาตถากรรมเปลี่ยนให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาแล้วรับได้ทั้งสมณะที่หนึ่งสัมผัสได้ทั้งสมณะที่สองรับทราบได้ทั้งสมณะที่สามเป็นเจ้าของได้ทั้งสมณะที่สี่คืออรหัตตะบุคคลอรหัตตกิจ เต็มภูมินั่นแหละที่นี่เรียกว่าเป็นผู้ได้รับธรรมเต็มภูมิเห็นธรรมเต็มภูมิบรรจุธรรมเต็มใจหายสงสัยคําว่าสมณะสมานานั้นจะรัดนลังเมื่อได้เห็นสมณะภายในหัวใจของตนเต็มภูมิเต็มปูมแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดภายในบุคคลคนนั้นภายในใจดวงนั้นนี่แหละมงคลอันสูงสุดอยู่ที่สมณะภายในหัวใจจงทําหน้าจิตใจนี้ ใสสะอาดปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เป็น่าสดต่อใจใคลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่เป็นสมณะอันเอกแล้วมีอยู่ที่นี่แล้วคำว่าธรรมมีมาในโลกดั้งเดิมมีมาเป็นเวลานานใครจะเป็นผู้ราศาศับทราบใจดวงนี้แหละเป็นผู้ราาับทราบธรรมประเภทใดดังที่กล่าวมาแล้วสมณะธรรมความสงบ ตั้งแต่โสดาสกิทธาอาาคาถึงอรหัตธรรมเป็นใจดวงเดียวนี้เท่านั้นผู้ที่จะรับทราบผู้ที่จะเป็นเจ้าของผู้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ทำขั้นนั้นๆจนถึงขั้นหลุดพ้นจะหลุดพ้นที่ใจรู้ที่ใจเห็นที่ใจใจเป็นเจ้าของแห่งความหลุดพ้นหมดปัญหากันที่ใจหรือภพหรือชาติการเกิดแก่เก็บตายหรือที่ใจ หรือกิเลสตัณหาออกจากใจแล้วก็เท่าเท่ากับหรือพบหรือชาติออกจากใจหายเป็สายใจเป็นอิสระเสรีสมกับใจเรียกร้องหาเจ้าของซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกับใจโดยแท้มนีเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราทุกคนจงเห็นตัวเราเป็นสาคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจะเกิดความสนใจปฏิบตัติต่อเจ้าของผลก็คือความร่มเย็นเป็นสุข ขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมมีหนักบ้างเบาบ้างภากันนำไปแยกแยะประพินิพพิจารณาที่สำคัญก็ดังที่กล่าวเบื้องต้นนั้นแหละว่ากิเลสไม่มีประเภทใดจะสุภาพอ่อนโดนเพราะที่เราจะแก้กิเลสชำระกิเลสด้วยความสุภาพอ่อนโยนกิเลสมีเป็นตัวสำคัญทั้งนั้น เหมือนยักษ์เหมือนผีบนหัวใจเราเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับกิเลสติงเป็นจิตญาเหมือนยักษ์เหมือนผีฟาดพันธันแหละครับกิเลสกิเลสจะตายไปด้วยวิธีการนั้นคิดหายไปด้วยวิธีการนั้นไม่ใช่วิธีการอื่นจงพากันจำไว้ให้ถึงใจนะการแสดงธรรมปรเหนุสมควร จิตตอนนั้นมันถูกกิเลสเอาความลงไปจปนมิดตังเทศท่านไม่เข้าใจแต่มันดีอย่างหนึ่งไม่เคยตำหนิท่านนะนี่เห็นไหมทมี่รู้หมว่าเราโง่ขนาดไหนฟังเทศครูว่าจารทางป่าประยัดแม้จะเทศสมเด็จ ก, ก็เคยฟังเข้าใจหมดนี่เวลามาฟังเทศท่านอาจารย์มั่นซึ่งปรากฏชื่อลีน้ำก็เดืองมานานแล้ว ไม่เข้าใจนี่ทราบแล้วยังวาทิศิเราโง่ขนาดไห น, นต้องมีเจ้าของฟังไปฟังไปปฏิบัติทุกวั น, นเราปฏิบัติเราไม่หยุดทางด้านจิตใจเหมือนกับว่าเราพยายามจะหงายปากหม้ อ, อเราขึ้นก็ไหลพยายามหงายปากหม้ อ, อขึ้นด้วยไม่หยุดด้วยความเพียรหรอต่อไปค่อยเข้าใจใกันพอจิตมันเป็นไปเท่านั้นหละที่นี่นะฮะ ตกแต่ไม่หยุดบำรุงไม่ถอยมันก็ไม่เป็นไปได้ไงจิต อ, อยู่ในความรับผิดชอบนี่เราเรารับผิดชอบตลอดบำรุงและขายตลอดมั่นก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาขึ้นหมายแล้วลก็รับทราบทำยิำ่งกระแสของทำทั้เข้าถึงมาดิค่อยซื้งก็ไปซึ้งก็ไปที่จจิตมีความละเอียดเขา้ามาทลายยิ่งซึ้งซึ้งจนกระทั่งว่าเป็นหูอยอมแม่นั่นแหละใครเทศก็ตามธรไมแติจันทนมั่นไม่ฟังนู่นน่ะ มันเป็นหูยมแม่ไปแล้วนขนาดนั้นอะ่ะฟางองค์เดียวเท่านั้นวางนี่เลยเสร็หลวงพ่อใจมันรับท่านเทศท่านถอดเอาตึกของจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นดีแล้วอยู่ภายในใจของท่านมหาสมบัติอยู่ในใจของท่านท่านถอดออกมาให้เราดูนีน่นี่ น, นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมรับตานอยู่ทำไมความหมายว่างั้น งั้นหลับตาทําทไมลืมตาที่นี่หนะ้านี่หนะ้าเห็นไหมของจริง น, นี่หนะ้าเห็นไหมแก้วดวงวิเศษวิเศษเหยย็นไหมนี่หน้านี่น้าดีมากเราอั่างหลับดีไมด่ดีอยังยังแต่ไม่เราเข็มเย็บทั้งสองกอดกันแต่มันหลับนปนไะหนพอมันเปิดตาคือตาใจเยยท่านั้นนี่เหมาะราบเลยเ่้ แหมมันพึ่งยิงท่านอมันเทสเนี่มันเทสแต่ละครั้งอย่างน้อยสองชั่วโมงอย่างน้อยสองชั่วโมงอถึงสี่ชั่วโมงโอ้โเสียงท่านกลางวานดังกระัทกกลางทุ่งยินแต่จะไม่ได้จับได้แสงค่ะได้ยินนะเพราะอำนาจของธรรมพลังของธรรมท่านพุ่งุ่ง ชือีแรกก็ไม่ค่อยอลายนะเหมือนรถเริ่มออกนั่นแะค่อยเอื่อยเอื่อยเอืยพอได้จังหวะแล้วก็พุ่งๆๆๆพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นเอาอะไรขึ้นต่หาใครเทือดเหมือนท่านหาตัวจับยากยไม่เคยได้ยินคําว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่เคยมียต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เลย คือท่านพูดออกมาด้วยความถนักด้วยความจริงจังในจิตจริงจริงจริงจริงจริงถึงไม่มีคําว่าเห็นเห็นจักคงจะไม่มีมีแต่ต้องต้องบังคับเข้าไปเลยเหมือนตีกลางแต่ปุ่งปุ่งทำแต่ละบริบาทให้แสดงออกมาไม่มีคําว่าเห็นจักหรืออาจจักมีไม่มีมีแต่คาว่าต้องต้องบังคับลงไป ลงไปถูกความจริงตามความจริงนั่นเลยนี่ได้พิพา ก, กันได้หรือที่มาใหม่ไป้พิพา ก, กันแล้วรอดหรือได้เดือดร้อยแล้วกับต้องขายบุชาก็าได้ทํากับขัสนายไหนเดือดร้อนเผด็จร้อนเราพูดทั่วไปแล้วบอกเผด็จร้อนเราพูดในวงปฏิบัติเราแล้วไม่ไม่พูดอย่างนั้นจะพูดอย่างไง ไม่ทําอย่างนั้นจะให้ทํำยังไงนวามกิเลสมาไม้นั้นแล้วก็ต้องตีไม้นั้นสินี่ยกิเลสมาแบบนี้ก็ต้องตีแบบนี้มาช่องไหนตีช่องนั้นมาไม้ไหนตีไม้นั้นมาเพลงไหนตีเพลงนั้นนั่นคือวิธีการฆ่ากิเลสอย่หลเนี่ยอธิบายไว้ทั้งหมดนั่นแต่เราพูดทั่วไปแล้วว่าเผ็ดร้อนเราพูดตามความจริงแล้ว น, นั่นแหละ คือการท่าที่เด็กท่าอย่างนั้นว่างนั้นเลาที่เดี๋ยวพักกับพานาพักได้ถ้า ม, มีปัญหาอะไรถ้า ม, มีปัญหาอะไรไหมถ้าเรามีก็พักกันพักกับพัฒนาที่มาวันนี้ก่